ฝนตกพูดสักนิดนึงก็เดีมีเสียงพาลองฝนตกของคาสังีดังก็แก๊กก็แก๊แกก็ฟังนิดมีคนใหม่มาบด้ที่พักที่หลับที่นอนกันหรือยังบด้กันแล้วเนาะ ถ้าไม่มีจริงๆก็นอนที่สาเนี้ช่วงนี้เป็นวันหยุดหลายวันคยมีเพื่อนของเราก็ค่อยทยอยมากันแล้วก็ไปเกี่ยวฝนตกฟ้าร้องหรือว่ามันจะเกิดอาเุเพภัยต่างๆยันเงรเราก็ทำวัดสดมนกันเหมือนเดิมตอนเย็นก็หกโมงเสียงคล้องดัง ตอนเช้าตีสี่เรามาทำวัดกันไปทำวัดได้สวดมนต์สาวทยยายมนกบมีท่าทึ่งดีๆทั้งนั้นอ่ะไปชี้ทางให้เราเป็นทางสู่การพ้นทุกข์บางทีก็ได้ฟังเทศฟังธรรมเปิดเทปบ้างหลวงปู่เทียนบ้างพ่อมเขียนบ้าง บางทีก็พระหลายๆรู้ว่าพูดใครอยู่พอจะพูดกันได้ก็พูดกันไปเพราะธรรมะอยู่ที่ตัวคนฟังคนพูดกระไดมีโอกาสหาประสบการณ์หรือว่าทบทวนคําพูดของตัวเองก็ตัวเองได้ฟังก่อนเพราะเสียงปากกับเสียงหูมันอยู่ติดติดกันได้ว่าเวลาคิดสมองมันคิดออกมาเป็นคําพูดคําจาภาษาในหัว มันก็รู้เองก่อนสติก่อนคิดสติก่อนพูดจติก่อนทําขณะคิดขณะพูดขณะทําหลังคิดหลังพูดหลังทํางื่อาการได้ใช้ผู้ฟังฟังได้ดีก็ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ตัวเองไม่เคยได้ยินได้ฟังเปน็นไหนสองกันฟังไม่เคยฟังก็ได้ยินได้ฟังที่เคยฟังแล้วฟังซ้ําๆไม่เข้าใจเข้าใจขึ้นไหมาหายสงสัยได้ บางทีก็ จ, จิตใจเริ่มใสศรัทธาฟังแล้วมีความเริ่มใสหศรัทธาขึ้นมาเกิดศรัทธาจากการฟังเราจึงเอาประโยชน์กันเห็นว่าเมื่อเช้าได้พูดว่าเวลาปฏิบัติธรรมในหสังเกตวันนี้วันนี้มันจะเกิดมารเพราะเราลังสร้างบารมีอยู่มันจะมีมารฝังหน้าดักหน้าดักหลังนะ ถผ่านได้ก็เป็นบารมีมันไม่เคยทนอย่างเงี้ยก็ทนไปเป็นขันติบารมีเดินโยมทั้งวันปกติเดินได้นิดๆหน่อยๆก็นะต บ, บามเกิดขึ้นมากายมันเข้มแข็งขึ้นมามันก็เดินได้นานขึ้นใจไม่เคยเฉยมันก็เฉยเรียก ว, ว่าอุเบกขาธรรมนะก็เป็นอุเบกขาบารมี บุริยบาลามีมัมีหลายหาอย่างเมตตาบาลมีก็เมตตาตัวเองเนั่นแหละที่ปฏิบัติธรมกันเคยเมตตาวัตถุหนึ่งสองสาบุคคลหน 1, 2, 3, ึ่สองสานเมตตาตัวเรามีกายมีใจเราใหม้มพักพักกายพักใจปฏิบัติรำกลัมาสู่ธรรมชาติความเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาสามัญ น, นี่ละ มันได้พักโปรติมันคิดตั้งวันทำงานทำการพอมันได้มาอย่างนี้ก็พักพักกายพักใจมันก็เป็นบารมีเก้นมาเป็นทั้งปลมเป็นทั้งพระเบขาบารามีปัญญาบารามีมันมันก็ไปไกลทีเดียวโดยวิธีที่เราฝึกกันเราก็จะเห็นว่ามันคิดภาษาศาสนาเรียก ว, ว่า สังขารปรุงปรุงแต่งแต่งเราเลิกนึกคิดปรุงแต่งเราเลิกก็เนี่ยเราเลิกรู้อยู่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเสี้ยววินาทีนึกก็เอ๊ะนานนิดหนึง่งคิดปรุงแต่งนี่ไกลเลยมันยาวพอเราฝึกสติเราเห็นมันคิดสั้นๆก็เรียกว่า ความคิดมันก็มาให้เรารู้เท่ารู้ทันคิดมากเท่าไหร่รู้ทันมากเท่าไหร่มันก็ชํานานชำนานที่จะรู้เนื้อรู้ตัวชัดขึ้นชัดขึ้นเราก็เห็นว่าเออมันมีที่พึ่งพึ่งตัวเองได้นะอัตตาเยธโนนาโถพึ่งตัวเองได้มีกายพึ่งกายได้มีใจพึ่งใจได้มันได้ที่พึ่งพึ่งสติพึ่งปัญญาพึ่งสมาธิเพราะนั้น มันเคยหลงเผลอไปนอกตัวฝนตกฟ้าร้องก็ไปฝนตกฟ้าร้องมันกัมีมลสุม่มเงี้ยนะฝนตกก็กลัวได้ฟ้าร้องฟ้าผ่ากลัวได้ตกใจได้หรือว่าบางทีเรามีมลสุมชีวิตเงี้ยนะมลสุมชีวิตความบัวไปทันหายความควายเข้ามาแทรกพระศุกร์เข้าพรสารแทงกบางทีมันก็ มืนก็จะได้มืนก็จะถึงและความสําเร็จก็พลิกทันทีบางทีมันก็มีการพลัดพลาดจากของรักของชอบใจบางทีก็ล้มหายตายสูญกันไปแม่รักลูกลูกรักแม่แต่ว่าต้องพัดพราดจากกันตายจากกันก็บางทีเสียอกเสียใจพเรามาฝึกหัดปฏิบัติธรรมเราเห็นออก มันก็สามารถที่จะพึ่งกายพึงใจของเรายังได้พึงสติปัญญาสมาธินะความรู้เน้อ ร, รู้ตัวนะพึงได้มันก็หมายถึงว่าเรื่องใหญ่ไปเรื่องเล็กเรื่องเล็กกลายไปไม่มีปัญหาแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราคิดวกคิดวนเรื่องผ่านมาแล้วเก็บมาคิดพอเราฝึกความรู้เน้อ ร, รู้ตัวเดินจงกรมนั่งสั่งจังหวะเม่อเกิดในวินทรียกแก่ก้าวเดินไหมสติอินทรีย์อย่างนั้น ความเป็นใหญ่ให้สติเป็นใหญ่เมื่อก่อนไม่รู้เนะรู้ตั ว, ต, วตัวหลงเป็นใหญ่สติสัญญาณเป็นใหญ่เกิดกอบประทานในกามการยึดติดในกามเห ก, กามกินเกียรติหลบเลือกลิ่นเสียงต่างๆอำนาจนิยมวัตถุนิยมบริโภคนิยมนิยมอะไรก็ตามสังคมนิยมเราก็ไปตามก็ ตอนนี้เรา ก, กลาบมาลุ้นว่ารู้นตัวมันค่อยๆเกินสู่สภาวะของธรรมชาติเดิมๆที่มีความสุขให้เราอยู่แล้วเรียกว่าปกติสุขเราก็ได้เห็นสนาปฏิวัติธรรมนี่แหละอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันคืออารมณ์มันอยู่ตรงไหนมันก็แสดงออกมาอย่างนั้นบางทีมันก็อาศัยสิ่รงแวดล้อมนะสกิจ นาสกิะเผยนิดเดียวก็ไปแล้วอดีตอนาคตไปไกลมากเราก็รู้เนื้อรู้ตัวรู้เท่ารู้ทันเห็นอาการต่างๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะนั้นอย่างเช่นฝนตกอย่างนี้แหละบางทีคนตากผ้าจะทุกข์ก็ได้นะหรือว่ากำลังตากข้าวตากถั่วตากนาพวกนั้นอะาจจะทุกข์ก็ได้ แตบางทีคนที่กําลังทํานาหรือว่าปลูกต้นไม้ไว้ก็ยิ้มเลยสิ่งเดียวกันแต่ว่าบางคนคิดเหตุสุขของคนที่ให้ทุกข์เอาประโยชน์จะเป็นสุขถ้าเห็นเป็นโทษจะเป็นทุกข์แต่บางคนก็เห็นเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาธรรมดานะไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนชีวิตของเราบางทีก็มีความสําเร็จไม่มีความสําเร็จก็ไดมีปัญหาอะไรก็ได้คือโลกความเป็นจริงนะแล้วก็เลยเรียกว่าใช้เวลาวันหยุดมาเรียนรู้ศึกษากัน ตามกําลังของแต่ละคนแต่ละท่านสติปัญญามันก็พาให้เรากลับมาเรียนรู้จักตัวเราเนี่แหละจอทังเป็นเรื่องของชีวิตที่มันกระทบกระเทือนกันไปอีกหลายหลายคนเหมือนกับว่าเรามาสร้างกําลังใจนี่แหละเราเคยหมดเรี่ยวหมดแรงเคยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ได้คาตอบพอเรามาเริ่มที่จะได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมนํามา จะประเด็นในทีมสําคัญสาคัญมาเป็นตัวปฏิบัติอย่างวัดป่าสุกตัวเราก็บอกว่าเราจะเริยนสติกันแนวเคลื่อนไหวแนวเคลื่อนไหวคนใหม่ๆบางคนก็อาจจะเคยได้ยินในฟังได้รู้จักมาแล้วบางคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินในฟังได้รู้จักมาก่อนแต่ที่เห็นนะพาบางลูกก็นั่งเคลื่อนเมื่อสิบชังงว่ากันอยู่อันนี้เป็นแบบฝึกหัดบทที่1เลยฝึกหัด ส, สติให้สติมท่องไปในกายให้เห็นกายอยู่เป็นประจำ เหตุาการณของกายมันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงการเกรงการกลายการเคลื่อนไหวการหยุดนิ่งหมดนั้นการสัมผัสรู้สึกตัวนะั้นให้เห็นตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบันขณะเป็นการสัมผัสรู้เบื้องต้นเลยต่อมามันก็จะรู้ทันความคิดรู้ทันจน ก, การะทั่งมันเห็นความคิดนะเราฝึกไปเรื่อยๆหลายๆวัน หลายๆชั่วโมงหลายๆนาทีหลายๆวินาทีซ้ำๆมันจะเกิดประสบการณ์ที่เป็นเรื่องของการเรียนวิชากรรมฐานวิชาธรรมะธรรมะภาคปฏิบัติการเรียกว่าทรมาธรร ม, รรมนุปฏิบัติเราจะเห็นว่าเออมันก็เกิดที่พึ่งกันมาภายในมากขึ้นเราเรียกว่าซับภายในอะนะซับภายนอกคือสตาง สื่อปัจจัยสี่ห้าหก็ดปดว่าซับไปในคือสติสมัมปญยะมันมีคุณธรรมต่างๆเกิดในความรู้เ ร, รู้ตัวเนะี่ยมากมายพึงได้เพราะว่าตัวสติปัฏฐานนั่นเป็นพ่อของกุจอธรรมทั้งหมดเป็นแม่ของกุจอธรรมทั้งหมดความดีความงามมากับเรื่องของคนที่มีสติบุญทั้งหลายทั้งตัวเกิดจากผู้ที่มีสติอย่างนีน้มันก็จะแสดงออกกันทางกายวาจาใจแบบ ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นก็ระมัดระวังเต็มที่หลายอย่างบางทีมเป็นเรื่องของความคิดที่มันเป็นเรื่องการตีความสร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นมาซึ่งจริงๆอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ไดนะ้อันนี้บางทีเราก็เชื่อมันหรือว่าทิศถุก ป, ปาทานเป็นอุปทานที่เกิดขึ้นมาในความเห็น แล้วก็จะมีความแตกต่างกันเมื่่อทีเวลาเปลี่ยนไปแล้วก็มีความเห็นเปลี่ยนไปเด็กๆชอบเล่นตุ๊กตาอย่างนี้นะหรือว่าซื้อรถมาสักคันไปสักไม่กี่ปีมันอยากได้รุ่นใหม่มันก็จะมีความเห็นเปลี่ยนไปเรื่อยๆทั้งที่มันก็ยังวิ่งได้เหมือนเดิมแต่ก็อยากได้รุ่นใหม่แล้วเงี้ตัวสับมือถือต่างๆหรือว่าจิตมันมีนิสัยขี้เบื่อมันจะเบื่อเก่งเราก็เอ๊ะทำไมกันเคยเป็นมาว่าทําไมมันเบื่อ ทางๆที่มันก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรเสื้อผ้าก็ยังเหมือนเดิมรัวอาหารก็ยังเหมือนเดิมให้คุณภาพกับชีวิตให้คุณค่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแต่ว่าเราเบื่อหา่ะรสชาติเราไม่ชอบพอเราทานซ้ำๆๆๆไปดีดูซ้ำๆๆๆมันก็เบื่อเร็วจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ถ้าเราดูหนังดูละครดูโฆษณาตัดต่อไวมากเลยดูแล้วสมาธิมันหายไปหมดเลยจิตมันก็ต้องการรสชาติ แสงสีเสียงหรือว่ากลิ่นรถสัมผัสตัวนี้ใหม่ๆตลอดเราก็วิ่งตามไล่ล่าจนกั่งบันทีนะีหาเงินไม่พอใช้เนะีเป็นรัพพลายนอกแต่ว่าถ้าวิ่งไล่ซัพพลายนอกข้างในเราก็ไม่มีความสุขนะอยู่ไม่สุขทีเดียวนะบันนี้เราก็เลยมาหารัพพลายในกันฝึกสติเจริญสติโดยเพราะความทุกข์ที่มันเกิดจากความคิดนะเราจะถูกลู่เท่าลู่ทันความคิดที่มันเคยนะเป็นนามธรรมที่ชวนเราหลงเก่ง เราหลงเชื่อ <mister> ม <tumors> ันแต่ตอนหลังนี่กลายเป็นว right? ่าเราสัมผัสความรู้สึกึกตัวการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะเราเห็นว่ามันมีอารมณ์ต่างๆปรากฏขึ้นมาในจิตในใจของเราภาษาธรรมะเรียกว่าทำารมณ์มันนะทำอารมณ์อารมณ์เกิเป็นธรรมชาติธรรมะในตัวเราธรอารมณ์ทางข้างนอกนี่ว่าลมพัดนะวัตถุรูปธรรมลมพัดไปพัดมาต้นไม้ไหวแต่ว่าอารมณ์ข้างในนี่อารมณ์เป็นนรมธรรม มันกพัดทำให้จิตใจของเราคุ้มดีคุ้มร้ายบวกบวกลบๆบฟูๆูแฟงแฝเราเนี้ยเราจึงมาใส่โอกาสนะมาใส่สถานที่วัดป่าโซโตะนะฝึกในรูปแบบนั้นในรูปแบบี่เป็นการวัดตรงๆขณะที่เราเคลื่อนเนี่ยมันจะกวนให้ธรรมชาติในตัวเรากูสุดลักกรสุดนักแซงออกมาจลนิสัยต่างๆแสดงออกมามาในรูปร้อยความคิดว่าอารมณ์ต่างๆแล้วก็ กลับมามีที่พึ่งกระทบสัมผันรู้สึกให้มากๆนะตัวนี้มันจะค่อยๆพาเราเดินทางผ่านอารมณ์ต่างๆไปเป็นระดับขั้นตอนของมันต่อไปียกว่าทางเดินแห่งบุญนะนะบุญที่เกิดจากภาวนาเป็นความสุขชนิดนึงปกติสุขเป็นสุขเกษมสารพวกนีนะ้มันไม่ต้องอิงออามิตประทูนั้งสองสามสี่ห้าต่างๆนะมันอาศัยแล้วนะของจิตของเรานะที่เป็นนามธรรม แล้วก็เป็นธรรมชาติเดิมๆตรงนี้สนุกทีเดียวถ้าทำถูกทำเป็นจะเห็นว่ามันมีการเตือนรู้เกิดขึ้นมาการรู้เตือนเบิกบปน่ในสภาวะทมต่างๆมันเกิดขึ้นเราก็ฝึกหัดกันตนัวนี้นอกจากนี้ก็ยังมีลักษณะของมานที่ว่าไม่ชวนให้เราทำต่างๆอีกมากมายที่พระเจ้าพูดไว้อะนะอย่างเช่นมัุมานอย่างี้นะความกลัวต่างๆที่ทาให้เราปฏิบัติไม่ได้ กุศลสาราสิ่งมแมลงต่างๆอย่างคืนนี้ฝนตกนี่ก็นอนปิดไฟก็ดีนะผู้ใหม่ที่ไม่เคยคุ้นการอยู่ป่าวัดป่าสุขตมาครั้งแรกคนนี้ยก็คือนอนให้ปิดไฟว่าเดี๋ยวมแมลงมันจะออกมาพอพบขั้นที่แมงเม่าพวกนี้ฝนตกขนาดนี้นะหลังจากนั้นใหญ่มีตะขาบออกมามีคังคกขบเขีย้ยวพวกนี้ออกมาแล้งวงเย้าเคี้ยวขอหนูเนี่ยมันจะออกมาคือเกตมนันเลื่นน่ยนะมันเย็นสบายมันไม่สากเวลามันเลย เพราะนั้นมีไฟฉายไปไหนในเดินอย่าประมาทอยู่ป่าอยู่เขาหรือบาีมันลื่นต้องระวังดินถดนบางทีมันฝนล้างไม่ดีเดินเอย่ยประมาทลื่นเป็นกันบ่อยโดยพาะผู้สูงอายุเนี้ยเดินแล้วก็ไม่ระวังระวังกันหรือระวังเต็มที่แล้วแต่บางทีมันพลาดอย่างนี้นะก็โปรดระวังมีสติใส่สติลงไปขณะเดินมันก็จึงไม่ใช่ในรูปแบบอย่างเดียวมันคือการใช้ชีวิตจะกินจะขับทายต่างๆนะ อย่างถ่ายก็ต้องถ่ายอย่างมีสติเป็นยังไงคือไม่เบ่งเพราะว่าบางทีสูงอายุเล่นเช่นเลือดในสมองแตกเลยนะเช่นเลือดในสมองจะแตกเลยอย่างเช่นอีกสักประมาณไม่นานนักก็จะยกเลิกไปเลยประเภทส้วมนั่งยองนะให้ใช้ส้วงนั่งลาดกล่วทำามเพราะว่าเวลานั่งยองๆนะผู้สูงอายุวารุขึ้นปั๊บนะเช่นเลือดในสมองมันมันเบ่งตัวเองนะ มันดันแบบว่าพวกที่ไขมันสูงๆเนี่ยเดี๋ยวช็อกได้ปอกได้หรือว่าบางทีผ่าตัดในโรงพยาบาลเลือดน้อยบางทีบันสุท้ายให้กลับบ้านเงี้ยไปตายในห้องน้ำนเยอะเปะ็นเวลาจะขับถ่ายก็ต้องมีสติเหมือนกันอุจจาระปัสสาวะภิกษุเธอจะมีความรู้สึกตัวในการถ่ายปัสสาวะอุจจาราะมันนอกรูปแบบไปแล้ว หรือว่าการขบชันการเคี้ยวการเกลือนหรือว่าเ ก, า ก, นากืนนี้การนอนการหลับการตื่นก็จึงเป็นเรื่องของการฝึกสติที่เราสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาเวเนาะมีอะไรเราก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงก็แล้วกันมาวัดป่าสุกตจึงถือว่าไม่ต้องหวังว่าจะได้อะไรไปธรรมะมาม อ, อะไรไปไหนหรอกมันก็จะเป็นอย่างที่มันเป็น ทำมาไม่ใช่เป็นอย่างที่เราคิดนะแต่กาลังเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ขนาดนี้ขณะนี้เรอรู้เท่ารู้ทันไหมรูปนามขันธ์หน้าวันนะ้กำลังแสดงออกมางี้ยนะอันนี้ถ้าฝึกสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันจะค่อยๆถอดละหัดแล้วก็เหมือนกับเข้าใจไปเองจากการที่ศึกษาแล้วก็มันมีคําตอบอยู่ในตัวของมันเป็ร็จอันนี้ไม่ได้หมา้ถึงว่าให้คนตื่นอื่นตอบเราหรือว่าบอกเราแต่ว่าการที่ได้ใส่กัลยาณมิตรครูบาอาจารย์มันเหมือนกับ ท่านชี้แผนที่ให้เดี๋ยวเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็มีประสบการณ์หาให้เราเรียบร้อยแล้วเราจึงไม่ต้องมาค้นคิดหรือว่าคิดค้นอะไรต่อไปทําตามเลยกระโดดใส่เลยไงนะอย่างกายานุปจสนาสจตฐานก็คือการเคลื่อนไ ห, ห้กายรู้าการดูกายเช่นดูอสุภะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันดูศพเสียพยาอะไรพวกนะี้ดูรือว่าอาหารลยปริยยาทุกนะ่ะดูธาตุวกนี้ดูการกินการขับถ่าย เป็นเรื่องการดูกายพิจารณากายทั้งหมดดูลมหายใจท้องพองยุบในชัยหมดนั่นะทำให้เป็นกันแล้วกันแต่ว่าที่นี้เราใช้แนวเคลื่อนไหว14จังหวะให้เห็นกายเคลื่อนไหวรู้ทันจิต ม, มันรำคิดมันนึกมันพรมแต่งตรงนี้เราเป็นเป็นจุดหลักแล้วก็เป็นจุดที่หลวงปู่เทียนจิตเขาตันสรุปไว้ให้เห็นการเคลื่อนการไหวตื่นจะหลับตลอดเวลาเวลาลยในรูปแบบนอกรูปแบบแม้จะซักเสื้อซักผ้าต่างๆ หวาดพื้นถูพื้นเช็ดบ้านถูบ้านคนนี้ขับรถขับลานั่งรถนั่งนะไม่ว่าจะนั่งยานพาหนะอะไรก็ตามก็รู้สึกตัวไปได้การสั่นสเทือนมีตลอดเวลาอย่างนี้นะมันก็จึงเหมาะนะกับการที่เราจะใชนะ้ชีวิตในโลกนี้อย่างผาสุกนะก็คือโลกก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสียก็คือให้ใส่สติลงไปนะจนกระทั่เหมือนกับว่ามันตื่นรู้ตัวของมันเองนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่ มีความขยันแล้วก็ตั้งอกตั้งใจที่จะพัฒนาจนกระทั่งทําถึงก็ถึงทำแต่ละคนดต่ละท่านก็อาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ตรงที่ว่าสติปัญญาข้างในของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเหมือนกับว่าพัฒนาได้อย่างถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องอย่างไรต่อไปอันนี้เราจะมารวมตัวกันาใสยบรรยากาศกะเรียมิตรนะตัวใครตัวเรานะเพราะไม่ใช่คอร์สปฏิบัติน จะมีกอปฏิบัติก็จะมีพระผี่เลี้ยงครูอาจารย์มาคอยดูแลแเราแนะนําหรือว่าเป็นเพื่อนกันให้กําลังใจกันถเรามาในกอสอย่างนี้ก็ถือว่ามาพักผ่อนกันแล้วกันแล้วก็ได้อาศัยเดินจงกลมบ้างบ้างนั่งสร้างจังหวะบ้างหรือว่าขวาดถั่วศาลาทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์เป็นบุญ น, นะก็ทำกันไปอย่างนั้นน ะ, อ, ะอย่างนี้เห็นว่ า, าสมควรคือเวลาเรากราบพระ พ, พร้อมกันกัน